ตนมีความรู้สึกอย่างไรต่อชีวิตก็ตอบไปอย่างนั้นหาได้หาเหตุผลสากลแต่ประการใดไม่ท่านขมขืนต่อชีวิตมาก็ให้คำจำกัดความชีวิตไปในทางขมขืนท่านที่พบความหวานชื่นของชีวิตมาก็ให้คำจำกัดความชีวิตไปทำนองนั้นท่านที่เห็นชีวิตเป็นของกลางกลาก็มีได้อ่านคำนิยามอันมากมายของคำชีวิตแล้วอยากจะให้คาตอบตรงตัวว่าชีวิตคือชีวิตมันไม่สามารถให้คาจำกัดความได้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 กลลลาโหติอัพพุธังอพุธาชาญติเปสิเบสินิปัตตตยิขโนคณาปะซาฆาชาญติเกซาโลมานาฆาปิจัยันจสะพุนชติมาตาอันนางปานันจะโพชนังเตนะโซตัตทยาเปติมาตุกุจิฆโตนะโรเริ่มแรกเป็นกลละละคือเซลล์จากกลละละเป็นอภูธาคือก้อนเนื้อเหลวจากอัพพุธะเป็นเปสิ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 คำตอบก็คือทรงรู้ได้ด้วยพระยานอันลุ่มลึกและละเอียดยิ่งกว่าเครื่องมือและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เสียอีกเป็นความรู้ตรงยิ่งกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถรู้ได้ทะลุปลุโปร่งในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายชีวิตและจิตใจเพราะพระเจ้าตรัสว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงสรรเพสร้างชีวิตตางปิดอย่างความรักชีวิตเป็นสัญชาตญาณของสตัตว์ ไม่ว่าชีวิตจะต่ำช้าเร็วสามสักปานใดในสายตาของคนอื่นแต่มันจะต้องเป็นที่รักแห่งเจ้าคอนมิฉะนั้นแล้วไหน่าเล่าคนจึงถนอมชีวิตเป็นนักหนายอมสละทุกสิ่งทุกอย่างนอกรายเพื่อรักษาชีวิตความรักตนเป็นความรักที่สูงกว่าความรักอย่างอื่นนาทิอัตตะสมังเปมั ง, งยินยู่เรามักจะยินคนพูดเสมอว่ารักคนนั้นคนนี้ หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ยิ่งกว่าตนที่เป็นอย่างนั้นอาจมีได้แต่ใครจะปฏิเสธละว่าคนนั้นหรือสิ่งนั้นมิได้เกี่ยวเนื่องด้วยตนหรือมิได้เป็นความสุขอย่างสูงของตนที่ได้ทําเช่นนั้นที่กล่าวนี้หมายถึงขั้นธรรมดาสามัญคือสําหรับชาวโลกทัท่วๆไปแต่คนที่ได้อบรมใจอย่างสูงแล้วอาจรักคุณธรรมความดียิ่งกว่าชีวิตยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความดีเพื่อทำ พระพุทธภาษิต ท, ที่ทรงสอนในเรื่องนี้ก็มีอยู่เช่นพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะจะเชิทนังอังคะวรสะเหตุพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอังคังจะเชชีวิตตังรักขมาโนพึงสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือความดีอังคังทนังชีวิตตังจาปิทัพย์บังจะเชนญโร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 พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนี้ที่เชเวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบภิกษุฉับพักคีมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ภิกษุฉับพักคีคือพวกหกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงห้ามการประหารดังกล่าวแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้พวกภิกษุฉับพักคีจึงเงิดเงื้อมือเพื่อประหารภิกษุสัตตระสะพคีคือพวกสิเจ พระศาสนาทรงทราบจึงทรงห้ามการเงืดงือ้อพิสุใดทําท่องอาบาาัติปาจิตีทรงบัญญัติตละสัตติกะสิขาบทคือข้อบัญญัติห้ามเงือดงื้อฝ่ามือเพื่อประหารผู้อื่นและทรงประทานพระโอวาทว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมสะดุ้งกลัวต่ออาทยาชีวิตย่อมเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงบัณฑิตรู้ดังนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า มีในยะดังพรนนามาแล้วแต่ต้น